بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن خ ط ا ب الإسلامية بالدمام تواصل مع أخ الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي. الشريط الثاني عشر ويحتوي على س و ر الروم لقمان السجدة الأحزاب سبأ فاطر ويسيم. ن ع <تصفيق> ن ا ب و ت ا ل ر و م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 วันนี้ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงของการต่อสู้กันระหว่างพักอะลลอฮ์มานกับพักชัยตอนคือระหว่างบาวของอะลอร์กับสมุนของชัยตอนซึ่งเป็นการต่อสู้ที่มีมาแต่เด็กดมันแล้วและยังต้องมีต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตรดาบใดที่ยังมีสัจธรรมกับความเท็จความดีกับความชั่วและตระาบใดที่ชัยตอนยังคงรวบรวมพักพวกมันเพื่อดับทัศนีของอะลอร์ และต่อต้านการเรียกร้องเชิญชวนของบรรดาราอซูลอะไลยิสละองค์การหลายองค์การได้ยืนยันเป็นหลักฐานถึงชัยชนะของศธรรมที่มีเนื้อกวา่าเศษตล่าเวลาในหลายยุคหลายสมัยนั่นคือแนวทางของอัลลอฮ์ซึ่งจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นอันขาดบันี้ได้กล่าวถึงวันอวสานและวันเกียรมกล่าวถึงชะตากรรมอเลร้ายของพวกปฏิเสธสภา โดยที่บรรดาผู้ศรัทธาจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ด้วยความปลื้มปิติและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะอยู่ในนรกด้วยความเศร้าโศกเสียใจนั่นคือบ้านปลายที่แน่นอนของคนดีและคนชั่วหลั้งจากนั้นบทนั้นยังกล่าวถึงภาพลักษณ์ของจักรวรรที่แสดงให้เห็นถึงอนุภาพของอรรถและความเป็นเอกภาพของตรุมเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงความยิ่งใหญ่แห่งพระผู้ทรงเอกะ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 ا ل ف ل ا م م ي ن ا ل ْ غ ل ب َ ا ل ْ ق و م ف ي أ َ ج ْ ل ا ل أ ر ض و َ ه ُ م م ن ب ع د غ ل َ ب ه ي ن س ي غ ل ب و ن َ ف ي ب ض ع س ن ي ن ل ل ه ا ل أ م ر م ن ق ب ل و َ م ن ب ع د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 แต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้พวกเขารู้แต่เพียงผิวเผิร์ในเรื่องการจารงชีวิตในโลกนี้และพวกเขาไม่คานึงถึงการมีชีวิตอยู่ในประโลกอาวลัมยะเฟ็กรูฟีอันฟุสิหิม พวกเขาไม่ได้ใคร่ครวนในตัวของพวกเขาดอกหรือว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสอง เพื่อสิ่งอื่นใดเลยเว้นแต่เพื่อความจริงและเวลาที่กำหนดไว้และแท้จริงมนุษย์ส่วนมากเป็นผูป้ปฏิเสธศรัทธาต่อการพบพระผู้อภิบาลของพวกเขา พวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินหรือ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 ทัลายของผู้ที่กระทำความชั่วนั้นก็คือความชั่วโดยที่พวกเขาปฏิเสธต่อสัญญาณทั้งหลายของอัลลอ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 ในวันที่วาระสุดท้ายจะเกิดขึ้นพวกกอ่ออาญากรรมก็จะหมดหวังและจะไม่มีผู้ใดาจากบรรดาภาฏีของพวกเขาเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาได้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 สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาและผู้ประกอบคุณงามความดีพวกเขาก็จะยินดีอยู่ในสวนส ว, นวมมนรรค์ลและส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่ยอมเชื่อต่อสัญญาณทั้งหลายของเรา และการพบเราในวันประโลกชนเหล่านั้นแหละเป็นผู้อยู่ในการลงโทษอย่างถาวรดังนั้นมหาบริสุทธิ์แด่อ้าเราเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามเย็นและเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามเช้า การสรรเสริญในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และในยาพมพลบค่ำและเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามตาย From ซึ่มงมีสิ่งมีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต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 และการที่พวกเจ้าแสวงหาความโปรโดปรานของพระองค์แท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้รับฟัง และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของโลงคือทรงให้พวกเจ้าเห็นสายฟ้าแลบเป็นที่หวาดตัวและเป็นความหวังและทรงหลั่งน้ําลงมาจากฟากฟ้าและทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาด้วยน้ําฝนนั้นหลังจากที่มันแห้งแล้งแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ใช้ปัญญา ดดาดและส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือชั้นฟ้าและแผ่นดินมั่นคงอยู่ตามพระบัญชาของพระองค์ท่านเมื่อพระองค์ทรงเรียกร้องพวกเจ้าอีกครั้งหนึ่งให้ออกจากแผ่นดินเมื่อนั้นพวกเจ้าก็จะออกมากัน และผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและพื้นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ทั้งมวลเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ว่าผู้อัลลอฮฺเป็นผู้ประดิษฐ์กาลกัไม่ย้อ้ดิษล และพระองค์คือผู้ทรงเริ่มแรกในการสร้างและทรงให้มันกลับขึ้นมาอีกแต่มันก็ง่ายยิ่งสําหรับพระองค์และคุณละลักษณะอันสูงส่งในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงอํานาจผู้ทรงปริชาญาบัลละกุมมัธเร็มมิลอันฟุศกุม هل ل ك م مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأتم فيه سواء ت ق ا ف و ن ه م كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون พระองค์ทรงยกอุทาหรณ์แก่พวกเจ้าที่มาจากตัวของพวกเจ้าเองจะมีบ้างไหมสําหรับพวกเจ้าที่จะยอมให้ในหมู่ผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครบ่าวท่ามีหุ้นส่วนในสิ่งที่เราได้ให้เป็นเครื่องย่างชีพแก่พวกเจ้าและพวกเจ้ากับพวกเขามามีส่วนเท่ากันโดยพวกเจ้ากลัวพวกเขาเหมือนกับการกลัวของพวกเจ้าด้วยกันเองเช่นนั้นแหละ เราจะแจกแกนสัญญาณทั้งหลายแก่กลุ่มชนผู้ชายปัญญาแต่ ล, ละมมนนเลยแต่ว่าบรรดาผู้อารรมได้ปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่มของพวกเขาโดยปรญญาศจากความรู้แล้วผู้ใดเล่าจะแนะนำ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 ดังนั้นเจ้าจงผินหน้าของเจ้าเข้าสู่สาศาสนาที่เที่ยงแท้โดยธรรมชาติของอัลลอ์พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสร้างของอัลลอฮ์ท่านคือศาสนาทเที่ยงตรงแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้ล oon, e ata, และจงยำเกรงพระองค์และจงปฏิบัติน้ำมาก โดยเป็นผู้ผิดหน้ากลับไปสู่พร่งและอย่าอยู่ในหมู่ผู้ตั้งผาผีคือในหมู่ผู้แบ่งแยกศาสนาของพวกเขาออกเป็นนิกายาต่างๆและแต่ละหมู่คณะก็พอใจต่อ สิ่่งที ا أ ا إ และเมื่ออันตรายได้ประสบแก่มนุษย์พวกเขาก็วิงวอนขอต่อพระผู้อธิบาลของพวกเขาโดยเป็นผู้หันหน้ากลับไปสู่พระองค์ ครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงให้พวกเขาลิ้มรสความเมตตาจากพระองค์ณบัดนั้นกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาก็กั้งพาทีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาาาุมาาามบิอก็จงนเนรคุณต่อสิ่งที่เราได้ประทานให้แก่พวกเขาแล้วก็จงร่าเริงกันต่อไปเถอ แล้้้วพวกเจจาะไดรูหรือว่าเราได้หลักฐานอันใดแก่เขา เเเพพืื่่่อออมัันจะไดดนะู้้รงงทีีวกขาตาตตหและเมื่อเราแด่มนุษย์ลิ้มรสความเมตตาพวกเขาก็ดีใจต่อปและเมื่อความไม่ดีอันใดประสบแต่พวกเขาเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาประกอบไวแล้ว พวกเขาก็หมดอะไรวม่อัลลยจะเรีะะและดอินนัี์คีพวกเขาม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอ์นั้นทรงให้กว้างขวางซึ่งเครื่องอยังที่แก่ผู้ที่พระงทรงประสงค์และทรงให้ครับแคบ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 สำหรับบรรดาผู้ปรารถนาพระพักของ a l l a และชนเหล่านี้แหละเป็นผู้ประสบชัยชนะ และสิ่งที่พวกเจ้าใจาออกไปจากทรัพย์ดอกเบี้ยเพื่อมันเพิ่มพูนในทรัพย์สินของมนุษย์มันจะไม่เพิ่มพูนนะที่อัลล์และสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายไปจา ก, จากรบรรยกาโดยพวกเจ้าปรารถนาพระพักของอัลละฮ์ชนเหล่านั้นแหละคือผู้ได้รับการตอบแทนอย่างขวีขูดอัลลอฮฺที่ขลักคุมทุมมะรักัยคุมทุมยุบิทุคุมทุมยุหิีุคุม ฮัลหม ش ر ك ا ئ ك م ไม่ฟังลุ่มในท่านมชย سبحان หัวเทาล่าอันมชริกอน a ้ทรงสร้างพวกเจ้าแล้วสรงให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าแล้วสงให้พวกเจ้าตายแล้วสรงให้พวกเจ้าเป็นจะมีผู้ใดบ้างในหมู่พาคีของพวกเจ้ากระทาสักอย่างหนึ่งจากสิ่งเหล่านั้น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 ที่พวกเขาได้ทำไว้โดยหวังที่จะให้พวกเขากลับเมื้อกลับตัวต้องกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินแล้วจงพิจารณาดูว่าบรนปลายุกลุ่มชนแนดีดนั้นเป็นเช่นไร พวกเขาส่วนมากเป็นผู้ตั้งผ่านที่ดังนั้นจงมุ่งหน้าของเจ้าไปเพื่อศาสนาที่ยงทำก่อนวันหนึ่งคือวันพิยามะของอัลลอฮฺจะมาถึงซึ่งไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้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 และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองคือพระองค์ส่งส่งลมมาเป็นการแจ้งข่าวดีทั้งหลายและเพื่อพระองจะส่งให้พวกเจ้าได้ลิ้มรถความเมตตาของพระอง และเพื่อเรือเดินทะเลจะได้แล่นไปโดยท้าบัญชาของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้สแสวงหาจากความโปรดปรานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ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 الله الذي يرسل ا ل زيا ح ف ت ث ي ر س ح ا ب ا ف ي ب س ط ه في السماء فيبسقه في السماء كيف يشاء ويجعله ك س ف ا ف ت ع ى الوجه يخرج من خلاله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 เมื่อมันได้ตกลงมายังผู้ที่ประงลมทรงประสงค์จากพวงเบาของพระองค์เมื่อนั้นพวกเขาก็ดีใจและ ท, ทั้งทั้งที่พวกเขานั้นก่อนที่ฝนจะตกลงมาแก่พวกเขาพวกเขาก็เป็นผู้หมดหวัง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 และองค์นั้นเป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งหากเราได้ส่งลมไปแล้วพวกเขาได้เห็นมันพืชผลเป็นสีเหลืองแน่นอนพวกเขาจะกลายเป็นผู้เน ร, รคุณ หลัังจากนน้แท้จริงเจ้าจะไม่ทำให้คนตายได้หยิดและเจ้าจะไม่ทำให้คนหูหนวกได้หยิดการเรียกร้องได้เมื่อพวกเขาเป็นผู้ผินหลังกลับ ลและเจ้าก็ไม่ใช่ผู้ชี้ทาง น, นำแก่คนตาบอดหลังาาจากการหลงทางของพวกเขาจะไม่ได้ทำให้ผู้ใดได้ยินนอกจากผู้ศรัทธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเรา โดยที <S <S ่พวกเขาเป็นผู้นอกน้อมยอมนอัลลผู้สร้างพวกเจจากความอ่อนแอแล้วกสร้างจากความอ่อนแอหเป็นความแข็งแรงแล้ว้างจากความแข็งแรงเป็นความอ่อนแอและกความน้นามงรงุกสองทีองรและ้สางทุกสิ่งทงีารองค์สร้างพวกเจ้าเกิดมาในสภาพก่อนแอ แล้วหลังจากความอ่อนแอพระองค์ก็จะทรงทําให้มีความแข็งแรงแล้วหลังจากความแข็งแรงทรงทําให้อ่อนแอและชรามากพระองค์ทรงสร้างจากสิ่งที่พระองค์ทรงประสริฐและพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผ <Well, S 1> ู man, ้ทรงอานุภาพ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 หาดาย وم อัลเบติ ولكنكم ك ن م لا ت ن ลับดาผู้ที่มีความรู้และศัทธากล่าวว่าโดยแน่นอนพวกเจ้าได้พมนักอยู่ต่างกำหนดของอัลลอฮ์จนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพดังนั้นนี่คือวันฟื้นคืนชีพแต่พวกเจ้าไม่รู้ไม่ยเชื่อแต่ยาอุไนดิลลายา فأولذي ن ظ ل م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 และแท้จริงในเอรกราณนี้เราได้ยกอุทาหรณ์ไว้ทุกอย่างสำหรับมนุษย์และหากว่าเจ้านำมาให้เขาด้วยสัญญาณแน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าพวกเจ้าไม่ใช่ใครอืน่นนอกจากเป็นผู้หลอกลวงเท่านั้นเช่นนั้นแหละอลัลลอฮ์ทรงประทับตรา